ผงจันแดงอันเป็นของค้อมขั้นทราชาติที่มีคุ้นคายอยู่ในสมัยสุตกาลนั้นก็ได้โปยไปหลนละมาบูชายิ่งสีละหลังกายของพระศาสดาสม่าสมพูรณเจ้าององเอกจากนั้นแล้วสังขีตะดนตรีอันเป็นที่ของม้่นเทปเจ้าขอประคอคขับกลมในอากาศ ว่างหล้ววิเวกว่องเวงยั่งให้หมู่มวนมนุษย์ชากทั้งหลายเดค้นลุกค้นพ่องตะยองเก่าสังทีตาอันเป็นทิพย์ในอากาศเพื่อสิบูชาพระสัตย์ประดาที่เท่านั้นพระพุทธเจ้าของห้งเพื่อในเอินพระอานุนเข้ามาหมื่อสุดท้ายและก็ได้บอกว่าบุกรอนุนเอ๋ยไม่สาระทั้งู่ออกดอกบานตั้งแต่นหนองดยอด ร่วงร่นปวยปลายลงมายังเสื่อ ย, ล, อ ย, ยละหลางกายของขงตถาคตนี้นอกกระดูกามีดอกมนท่าหลบกันเป็นคล้องถิดจากสองสวรรค์กระโตกงมาแต่เที่ยงฝ่าเวหาอากาศเมื่อยังหูพางห่างขี้ของขงพระบูชา้องเฮงจัง่นอันเป็นค้องถิดนที่หอมกุ่นกับตุ๊กตาในอากาศร่วงร่น ลงมา อ, อย่างสลีละห่างขีงของขงเพื่อบูชาต้นตีอันเป็นทิพย์ของมูมุนเทปจอบกระเด็กคับกอมบัรเลงฟังวิเวบวงเลวงไพ่หลอกล้ายในอากาศเพื่อบูชาเฮ้าตถาคตอา น, น่นเอออันว่าเฮ้าตถาคตนั้นพุทธบริษัทสาบวกทั้งหลาย จึงมาเข้าหลบสักกะละบูชานับถือบูชาหนอ่อมหน่อมโดยเครืองสักกะละหาประมันบ่ได้จังสิก็ตามภูได้กย่สิเป็นภิกษุภิกขุนึ่งอุบาสกอุบาสิกากระตามเป็นภูปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมวินัยหยคนหนึ่งยอมซื่อวา่างเดชสักกะละบูชา นับถือบูชาตะทาขดด้วยการบูชาอย่า ง, งหยดยิงขพเหตุจังสันอนุ่นเอ๋ยหววเจ้าทั้งหลายจงสำเนียกื่เพราะกันขดหินตองจงสี่เด้อว่าเห้าจะเป็นภูปฏิบัติธรรมเหุ้สะพวนแก่ธรรมปฏิบัติชอบเก็บน้ำธรรมตามอยู่อย่างซิสือว่าบูชาอย่างยิ่งสูงสุด ขอไม่อายทองที่หักเพ่งไม่หนีเฮาเป็นอุบาสก อ, อุบาสิกาพระสงฆ์องคธรรมนิ่งเฮาได้เข้าหลบบูชาเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมค่วนแก่ธรรมปฏิบัติสมขวนแก่ธรรมปฏิบัติกันไดโ น, โน้อหน่เฮามีกันไดเฮาก็เหตุจังสันผูเพิ่นมเงืนมีคำเพิ่นกะ บ, บูชาสมค่วนปฏิบัติเสียสละเงื่อนค ำ, ก, ำกําเกว สื่อเครื่องโยของกินมาทำบุญสุนท่อละทานทำบุญตักบาทสื่อดอกไม่ถูกเทียนเป็นการเสียสละทั้งเวลาทั้งเงินพ่องมาเวียนเทียนมาบูชาฟังเทศฟังธรรมผู้ น, นีเงินมีทวงหวัดว่าอารามใหญ่ๆติดไฟแสงสีจัดเงินมหากรรมคุ้นทําอันอยิง่งใ่ยังพุทธมุนทนรัฐบาลได้เห็นเตว่า เฮาเป็นคนถุกคนยากเฮากระ บ, บูชาสมควรแกเง่านเขห้องมีอย่างนเนาะเฮาก็เลยมาอดเขาบอกกินเขานี่ิบสี่ช่ ม, ชมงีสมควนแกเฮาผู้ทกผู้หยาดเฮาผู้บ่บบาห่างบอมีคันบอกไปแล้วเพราะแม่อองว่าโอ้ยจะเป็นคนแก่โตคนปอมี่อย่างวัดเพินาา่นกาาธทว่าเมอยู่ดอกอกพเยไปใงไอ้หนองที่หักเพ่น คั้วมีนั่นกระ บ, บ่กมีอีกอยังแล้วคือตาได้พอแต่เห็นคุดตีหน่อยเป็นโ ต, โปตกม่งหยาตบออกแต่แครบสล่าบ่หมีหลังอาศัยตามพื้นดินมุ่งต้นใหม่สล่าหน่อยคอยว่วยอยู่ในป่าทึ่งๆเหม็นฝาฟ้าแอ่ยเม็นต้นใหม่โนกไไ้กญ่ไม่ไงโน้อันอนี้นห่อก็ได้บูชาเงินข้ามําแกวองหายาหนี้คานั่นก็ยังมี้คานหน่อยกลัวชีวิต ที่วิตกใจห้อง่อมบูชาย่อมยกให้มันจะตายเดียวนี่กับบสดายนี่เดียวว่าบูชาายังสูงสุดครูพันี่พันผอม ทรัพย์สิ่งเงินคำกระทำการบูชาด้วยสิ่งของคุ่คำยื่อทางถ้ำบุญสากกินท่านตามสะดวกใจแล้วภูพนีพรมผอมหกัก่้ำใดภูสซเลว ส ก, กาเล่ทุขตะปณะกาละผู้เตเข้าบะมีจังสันมาอดเขาบูชากะน้อตามภาษาควนจนบอบชีว่างบูชาไว้แม้นสิม่อละนั่งเหมียนตายไปนี่ดปลาไปบูชา้ามหน่วยแก่วบะมีหยาดย่อนตาย สมุดหมอดเงียนดับสาข้อละหน้าเขากายยาเป็นเทียนไขจุดเผาบูชาพร้อมเงินข้ามแก่วของแพงหายยากกั่จริงแล้วชีวิตมี่คาล้มแท้มาลำกัวเงินไอหนอเอ้หอ้าวหูตกหยาคหงขอเอาฉีบบูชาอ๋อนอบ่มีความสงกาเงินสิตายกายันง่วนบูชาไทยมหาคุณสุดแก่ม่งติตายดาวดิน มัน้นอยสิบอจ้า ที่หากเพ่งโซโหโซคนจะได้กระตามเห้ามาทำข้าใจในการดูชาในการประพฤติ ป, ปฏิบัติกันจักหน่อยนอกข่อยไงไมีไงอ่านหนอที่หากเพ่งควมบอกเข้าใจน้ำไปสูความสัทสนความเบื่อหน่ายและก็เข้าใจพิษในขอวัติปฏิบัติปฏิปทาเขาเป็นชาวุด แต่ว่าผู้หู่คนเดินผู้เบิกบานหู่ขอที่คิดหู่คิดที่ถ้ำหูข่ำที่กา่าเมื่อเนี่เขาได้มาทําอาการวิสาขบูชาตั้งใจกันมาแต่ข่วงแต่ไกลหลายบาทหลายจังหวัดอำเภอเพื่อแม่น้ำคนลหลักหน่วยไหลหน่วยเขาใส่กันแม่น้านั้นบ่มีเสือเสียงแสงยามเมื่อไปพร้อมกันโซมหานาที่ก่วงกะว่ากันไล่ล่าทิม แมวหน้าเสือเก่าห้อยุหันเจ้าอยนี่บ่มีบอกใส่กันกลายเป็นน้ำหัวเดียวกันเฮ้ากักคือกันเมื่อเร็มากกันี่หลายจังหวัดหลายอำเภอมาหอดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสหกรณ์หัวใจร่วมกันเพื่อบูชาพระศาประดาเฮ้าเป็นคนทุกตะหยากร บ่มีเงินมีทองของข้าวหางมีดีใดเคือเพลินเฮาก็เลยบูชาสามหน่วยแกวมหาคุณสุกเกตโดยการอดเขา่าหนามบูชาไทยพยอดุณเป็นอยังเขาจะมาอดเข่าไม่เมื่อวันมีสาขะบูชานี้พ่อแม่ไอ้หนองจะหักเพลงมาทําควงเขาใจกันแค่หน่อยน้องเมื่อนี้เป็นที่หูจักกันเลยว่าเป็นเมื่อเกิด เมื่อตัศโรและกับเมื่อปาริิพานเมือ่อหลอมหายตายไปจากพระพุทธเจ้าของข้าพนได้จากเข้าไปคันซิวเหล้วเมื่อนีบอกเป็นภาษาฝรั่งคาเล ว, วา่ามาเอาบุญวันเกิดแฮปปี Birthday, ้เบิร์ดดีพัสสนสุขสรรวันเกิดประสเนี่ยวัฒนธรรมของโลกตะวันตกฝรั่งมังคาคันหอดมื่อเกิดไม่ทะเบียนบ้านของเขาเขาเจอใด เขาสิจัดงานวันเกิดเขารียกว่าแฮปปี้เบอร์เดย์เอาเขาปลาอาหารเหล่ายาปลาเปียงมากินกันเอิ่มมือบานไต่บานเนื้อห่วมสถาบันห่วมการศึกษาห่วมการงานห่วมบริษัทมาห่วมกันเอาขนมเค้กขนมปังมาตักอาหารการกินตักหลังจากหนังกันเขาเทียนมาไต่สาบลา หมูัวกกมักตกมื่อห้องเพลงแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูเขนพร้อมกันพูหบอกพระจาฝลักแน่นรอบไอยังไงพอลองเพลงแฮปปี้เบอร์เดย์จบหล่าเจ้าของผู้ถือว่าเป็ น, นงานวันเกิดก็สิบเตาผูเ้เทียนให้มันหมอดสแสดงถึงพระล่าอนามัยยังมีล่มเป่าขอพระจ้าแสลงพร่เป้าชีเทาฝุ่งเตะปีบดัง โอ้าหอายุยืนยามันหลังกันก็กินเหล้ากินยาฉลองกันงกแก้วชนกันแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูชนแก้วกับตักเข้าไปแล้วบาทนีอันนี้เขาว่าวันเกิดแฮปปี้แปลว่าสุขสันสนุกสนานเบอร์เดย์มือเกิดสุขสันวันเกิดวัสันอันนี้ทางโลกเข้าคอยเงสี่ส่วนทางทำห้อง คู่บาอาจารย์โพพัพนมีบุญญาบารมีมีหลกเซตหลกฮา้าบอเลยซับบริวานไลยฮอดมือเกิดคู่บาอาจารย์กะจัดเงื่อนวันเกิด ต, ออต่ออายุคู่บาอาจารย์โูคนกะสิ ล, ลังลัตะลังไลไปทำบุญทำทานแน่เอาเงินเอาทองไปบริจาคในวันเกิด เลื่องเหลี่ยงเกลือเพืีอมามกันอิน่มเต็มพระทรงองเจ้าบริษัท์บริวารกำลังไลลไปใบสวดเชยนันโตเจริญพุทธมนุย์เมืม่อเสาสลุกสิลุกหาฝ่ า, ฝายข้าละวาดจัดแกงแตง่แตงอาหารของหวานของข้าวของแสบของเนื้อหยกมาถวายใหย้โอ้ยอ่อนซอนดีหน้าพ่อใหญ่ไปใหญ่น้อ เพื่นมี่บุ ญ, ญาบาลามีนอกจากหนันตั้งตูงต้รับบริจาคเต็มกองอัญะของอวกงหงาวันเกิดเทอหนึ่งตอออายุเดืนเงินรือท่องได้หลายทีพระเดินว่าตออายุงานวันเกิดคุณบาอาจารย์ผู้ขาผู้บวอยูน่นี่แต่ว่าพ่อแม่ไอยหน่องมาอดเขาอดป่าในวันมีสาขาบูชาแต่วันเกิดของพระพุทธเจ้า เมื่อวันเพ็ญเดินหกมันซ้ำไปตรงกับวันที่สิบเก้าพฤกษาภาทา้งสุริยคติผัวขาผัดเกิดวันที่สิบเก้าพฤกษาภาก็เลื่อยกลายเป็นเงื่อนสองวันเกิดดับบันคือกันวันเกิดตพุทธเจ้าแในวันเกิดผูวขานั่มปลื้มกันเขาได้ไหมแต่ว่าปีหนาหักสิบตรงกันเพราะว่าขู่นับทา้งจันทรคตินับเอาพัดจันทร์วันเพ็ญนั่นเมื่อนี้ เป็นวันเพ็ญเป็นหกข้างสุริยคติวันทีสิบเก้าว่าเกิดมาแต่ปีหนาใีวันวิสาขบรมนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเมื่อนีมาพอกันโดยบังเอิญก็เลยเป็นวันเกิดสองต่อพ่อแม่ไอ้หนองที่หักเพงก็ได้พากันมาใหาย้ยังหน่อยก็คือของขวัญวันเกิดแก่พระบุทธเจ้า สองหมากกัแถมเป็นของขวัญมันเกิดให้แก่ผู้ขาอาตา ม, มาผูัววัวยุ่นิบ้าป่าถนาอยียงเลี้ยวเฮามันโถกมันหยากน้องพอแม่อายหนองเง่นขารถขาเลือดสิบคีมหากกับบมี่ตื๊ดอยากหาแต่ปากอยากแส่ทองเฮาเป็นผู้ห้างผัมี่ของขวัญที่ผู้ขาป่าถนาที่ซุดห่วมกันก็ปรากุเดเจ้าเครือการปฏิบัติถ้ำเมืม่อนี่ ก็เลยขอของขวัญจากทานผู้หักผู้แพ่งพ่อแม่ไอน่นองคือการบกินอาหารมีสิบสี่ชั่วโมงส่วนการอดลับอดนอนขันพ่อทอนได้มัดคืนอย่างเก่งเ็งดีเป็นการปฏิบัติบูชาหยกชีวิตจิตใจคือหอดปทธเจ้าห้องไลๆสุดเนื้อสุดเก็บสุดหัวสุดเก่าคือหอดเพิ่นเป็นหอยเถื่อพันเถื่อหมื่นเถื่อแสนเื่อหน่อไปไ่ไปไง เมื่อเกิดของพระพุทธเจ้าหรือเมื่อเกิดของเฮ้ากระดิมันจะมีลักษณะอยู่แนวหนึ่งเกิดนั่นมีสองเกิดพอใหญ่ไปใหญ่เอ๋ยเกิดทั้งตายอันหนึ่งเกิดทั้งใจอันหนึ่งส่วนข่วมตายนั่นก็มีสองตายตายทั้งกายแนวหนึ่งตายทา้งใจแนวหนึ่งเกิดทั้งกายคือเกิดมาจากของมีง พระพุทธเจ้าของเฮาเกิดวันเพ็ญเดือนหกแงมเที่ยงเมรผันติเมื่อบานกรุงเทวทหะก็เลยเจ็บท่องบองใสขึ้นกล า, างทางแวะเข้าไปในสวนป่าสาละก็เลืไปยืนออกหลกอยู่ไต่ห่มหึง่งไต่ห่มสาละในเวลาเที่ยงคือบอกที่เอินว่าเกิดท่างกายเกิดท่างกายเกิดจากคลองแมร ไม่ย้ามเกิดทางกายดิบ่าวาผู้ได้กรตามเมื่อเกิดม่านนั่นบมเมนตมือแฮปปี้เบิร์ดดีเด้กผู้ใหญ่เมย์โมเมนต์วันสุขสรรวันเกิดค้ามเกิดนั่นเป็นถูกตกัวพระพุทธเจ้าของห้องพันว่าทุกข้ังชาติปุนับปูนัง่งเกิดย่มใดเป็นทุกย่นมนั้นบ่าวาจะเกิดทางกายก็ดีหรือเกิดทางใจก็ดี เกิดข้างกายเกิดเมื่อจากทองแมนะกระทุกทั้งแมทั้งลูกแม่กระทุกลายมือออกลูกเก็บทองบ่องใสพูดลูกพูดหนังทุล่มทุลายว้ยห่องพ่โพ่สังกาเป็นตลาดตาจือ้อเห็นแม่ออกออกลูกโข่าเป็นตลาดเท่นโวยโยโวยโยโอ ย, โ อ, ย, โ อ, ย, โ อ, ยอันนี้เพื่อนว่าเกิดย่ำใดเป็นทุกข์ แม่กระูกพ่อแม่ลูกนันกระทกหีดออกมาจากในท้องโว้ยพ่อแต่ผลพักตรตูทอร์นี่ท้องแม่ก็ให้หลวดแวดแวกกำกำปั่ น, นแนนแนนอาปาคว่ อ, องไห้จึงสีบ่าจิ ม, มาว่าแฮปปี้เบอร์ดเดย์นพอพย์เนี่ยมันจะแฮปปี้เนี่ยไงมันถกษพื่อยังงในเกิดมาเลี้ยวกับมือเกิดมันอะไรกินยัง กินได้แต่น้ำเมื่อเกิดขึ้นเหนือบอกินยังพ่ายในมีสิบสี่โจมงแถวกับบมีจับกินเองกับบรรุไดพ่อโดดไดแต่นุม่มพ่อไงเป็นไงคันเซบอลข่วมเกิดท้างกายกับบรรมีผูดด้ใดกินควยหน่อยเกิดใหม่เจ็ดเหมื อ, อยังบรร้านได้กินหยาคนเฮาเกิดใหม่สามสี่หามือยังบ้านได้กินขอกินหนามได้น้พ่อไงเป็นไงนอกินตั้งแต่นุ่มลังเจนนันจึงคอยหยับขวป้อน ขันเนนผู้ใดออกโลกเมื่อใหม่ๆอุตริวิธานหย่อมเขาปอนโลกให้ไม่เมื่อ น, นั่นอยากให้โลกไงากาหนาบานตายพอดีนี่เฮ้ามาเบิ่งวะข่วมเกิดทั้งกายนี่เฮากับบริเก็กินอย่างเฮากินน้ำ น, นี่วันเกิดของเฮ้าควรติดเด่นนั่งอยู่สื่อบะขวรติไปเสือเหล่าเสือยาหาอันนั่นอันนี่เมื่อกินต่ออญอกอญุออญออญอยังหรอกผู้ใดยสิบต่ออญุใอด น, น่าพอใจไม่ไง พระพุทธเจ้าของห้าวแปดสิบปีเพิ่นกัดตายเพิ่นยังบวต่ออายุเอาเพิ่นเองกันเพิ่นต่อได้คนโงอคนขีขาดตาขาวหย่านตายไก่สิตายเท่างกเงินเงินไปหาต่ออหกอายุคนกาดบ่เป็นคนโงอเหมือนคนขีขาดหยอกอายุไม่หนีเข้าไม่หยอกอายุน่อหัวใจใหญ่ใหญ่หยอกหล่อมันเกิดมันโดนกินเขามาหล้วไร้กระบุ่ง อไม่กินจนแขวเหี่ยนแขวหลอนกินบ่กกินแต่เขาในออกเขาลังคนหย่าหอดใหม่เกิดมาแต่อิจแขวบะมีเขาก็ไม่ได้กินกินได้แต่น้ำนุ่มพ่อญ่กาหนาบานมาหน่อยแม่ฮัดหย่ำเขา่อนยิ่งเขาไหนใหญ่มากอัยงุ่มทำเป็นสาวไปกุ้มแหนกินจนใหม่บัด กินจนแข่าบมีข่ข่าล่นปานก็เกิดมาใหม่ๆนั่งกุ้มตำอยู่จุกจุกบอจังสังกัสไซอย่า ง, งไม่ลดจักรยานตีออดเอกออดแอดหยงแขมแลปพัฒมทิมว่าไออดพ่อได้กินจะกึกในกะขายหรนอนอพ่อยไงเป็ไ ง, ไงอันนี้เลยเรัเข้าเกิดมานันเข้าพ่ได้กินเองพ่อยไงไม่นไงกินได็แต่นาม เมื่นี้เป็นมื่อเกิดของพระกุทธเจา้าเป็นเมื่อเกิดของอาตมาวันปีสิบเก้าพฤกภาพ่พอดีกันก็นเลยขอของขวัญของหักของเพลงจากพ่อเมีอ้ายน้องผู้หักเพลงมื่อหมอบเบนเขียนให้แด็กคันหักคันเพลงบอยอยากแดกเงื่อนข้ามกำเกลียวดอกอยากได้ให้ภาค พ, พันปฏิบัติบูชาเป็นของขวัญอดขา มีทิบสี่ชั่วโมงนางสมาธิภาวนาฟังเทศฟังธรรมเอาอาหารใจคือปีติปามอดที่ได้เกิดเมื่อตาบอหนวกตาบอบอดหูบอหนวกสำ้ำโศกดีเดเมื่อข่้มสังซ้อนของพระพุทธเจ้าสีแจงงีงแถลแฉกบอกทั่งไปทังมา้าบอหาเมิดไปเมิดมาเม้นเมิดมาแล้วก็สิแจ้งไปอันนี้ เตือนว่าวันเกิดนั่นบมเมนหมืองแฮปปี้แฮปปี้เบอร์เดย์สุขสันต์วันเกิดมันหามาแต่ออกมาจากในท้องแม่กะไห่ก้อนที่ออกนั่นแม่กะไห่ห้องลุ่อยๆสิวาจังไดน้อมันควรจะบอกว่าซัตว์ริงเบอร์เดย์วาจังเสีย้ยหวจะเป็นถูกเดยวันเกิดว่าจังทั้งมือเกิดมาจังสี่เกิดท่านกายเข้ากับบริเกนอยังเข้ากับเลยล่องมา อดเข่าระลึกถึงวันเกิดมากพร้อมกันนั้นเม่าเว่ก็ตนเองเว่ในจิตในใจว่าโอ้เกิดมา่อดนปานเหน่เนอะผู้ขานี่ได้เหตุอีหยังเนอะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตที่เกิดเมื่อเห็ุอีหยังเป็นประโยชน์แกหลกแก่บ่านแกสังคมถ้าพุธเจ้าเกิดเมื่อหญิงไงพนซ้อนหลกให้หูจักบาปพุ่นโพเท้ากระดัรับประโยชน์ไม่ทำพัน เมเบาขาเข้าตายเอาหนาความไปแต่นตายแต่เกิดในหย่อนว่าแม่มีธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแมเบาป้ากันเทิมเห้อเขาเป็นหนุกองข ย, ยะไปไขใสล่ลงพยาบาลคือแม่ผู้อื่นนั่นคือพ่อผู้อื่นนั่นก็หย่อนว่าพ่อแม่เข้ามีธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนอันนั้นมีคุณคขา จนมาปกเก่างำหัวที่เฮาหายมีชีวิตอยู่ไหนไปหันม่านีพันบนกกลางทางพนบขาบกแกงย้อนว่าเพิ่นมีธรรมะของพระพุทธเจ้าเฮาเกิดไปไกลๆโอ้ยประมวลเอาคุนคาค่ำสังสอนของเพิ่นจะเหม็นปกเก่างำหัว มีบุญมีอเนสงได้เกิดอยู่บา น, นิเมืองเหนืบอบ่เกิดซ่องข้ามบ่ตกเป็นเมืองเขินผู้ใดหย่อนว่ามีคุณท่ำโป๊ะเก่างําวัวภูโป๊ะของเจ้าใหญ่หน้าโตพระเจ้าอยู่หัวของเฮาเพินมี่สิ้นท่ำเพลินหากเพลินแผงะเด็จไปทินหุงเฮืองเมืองกันดารบ่านลึกลับไฟไหม้หนามท่วมบนไดพระองค์ไปตอบสับน้าตาอาหน้าประชาชาล่มพัดเคื่อนเพ่มาทางการเพินกระสือสังกสีมาท่าน ล่มผัดวัดเพ่พินกระสือสังกสีเสือยังมาซอยอันนี่พินเป็นยังจังสือพินมีธรรมะของประพุทไเจ้าสแสดงมาธรรมะนั้นได้มีประโยชน์คุ้นคามหาศาลพกเก่าง่้มหัวเ้าทั้งทางตรงทางอ้อมคดจังสีแล้วโอ้ยกะสิบาอ่อนแออันนี่โอ้ยเหมือวิสาขาบูชารประกาศท่านเอาเงนิน เส็จแล้วจะจะไปอยัางเหนียนาสุเลขนอกก้องกระโบจักนอกนออย่างคู่กระไดอ้วยดีดูบูตนศาสตร์เด้นอน้องเข้าสิตองเป็นคนกะตะนูกะตะเวทิตาละลึกถึงบุนคุณนห้อมกันหลายๆจนไปอยากกินข้าวกินน้ำมีเอิรนว่าเมื่อเกิดทั้งกายส่วนมือตัดสลูนั่นคือเกิดอีกแบบหนึ่งแล้วว่าเกิดทั้งใจบอไมน์มาเกิดหม่ามือหนังไตห่มหั่ง อยู่กลางข้างตอนเทียงมือห น, น, นับ่ฮั่นเลเป็นพระพุทธเจ้าอันนั้นเอิ่นว่าเกิดท่างกายเออมาเป็นศิทธะอุมารเตว่าเกิดอีกบัดอายุสามสบหาปีอยู่ต่หมภาษีมหาโพธิ์อันนี้เรียกว่าเกิดเป็นพระพุทธเจ้ารักสรูอนุตระสัมมาสัมพุทธญานผู้แก่งเห็นจริงสัจธรรม ธรรมชาติกฎเกณฑ์อันลึกหลับซับซ้อนอยู่ในกฎของธรรมชาต์บอกมี่เป็นคว้มหลับสําหรับภาษาธรรมดาห้องออเบ็ดตกอย่างหยุดเนื้อเกิดเมื้อตายเนื้อไปเนื้อมาเออมาตัดสรูอนุตตะสมมาสัมโพธิญาณได้เป็นพระพุทธเจ้าการเกิดเทื่อนั่นเรียบว่าเกิดท่านใจแห้งบเล็กกินเข่าพระพุทธเจ้าห้องตัดสรูแลว้ว พอใหญ่เมยใหญ่ขันเข้าไปบังในหนังซื้อพระไตปีดกตามตำแน่นเข้าสิเห็นได้ว่าพระธิฆาที่พนว้าพื้นพระนั้นบ่ได้กินเขาสี่สิบเก้ามือหลังจากได้เป็นพระพุทธเจ้าใหม่ๆตัดสหลือขึ้นเกิดท่านใจ ไปยืนเพ่งต้นใหม่สีมหาโพธิ์ตดนล่าชายต น, นะต้นใหม่มุดจาริ่นต้นอชปาลนิ阔ว่อนไปเมื่ออยู่เจ็ดสัปดาห์สวยวีมุติสุกอีมด้วยถ้ำมาปีติเจ็ดสัปดาห์เจ็ดเจ็ดสี่สิบเก่าเมือบุกินขขากินน้ำเลยเลยหนักขึ้นมืองเกิดเป็นพระพุทธเจา้าแห่งบได้กินขา่าลายสี่สิบเก่าดุ เท้เาเศราสี่ชั่วโมงหนึ่งบเด็กรึงสี่สิบเก่าเมื่อสำสมองสิทธายไฝ่เท่น่วงขั้นมันตายซะแล้วกับบูชาเผินนัวเอาหางหลบร่างหางเข่งของเท้าเป็นปะทีบเป็นเทียนเป็นถ้ำบูชาประพุตเจ้ามหาคุณสุดเกศแล้วเอามาเป็นเทียนเผาบูชาเผินโตขันมันสิทธายไฝ่ในยี่สิบสี่ชั่วโมงเพิ่มกินตั้งสี่สิบเก่าเมื่อบววแต่ชั่วโมง กะยังบอกเป็นยัางพอใหญ่ไม่ไ ง, ไไงไ่อง้งองเทียบแพ้งเหม่นส ม, มุดหมอดเหนียนดับศาสตร์มอ ล, ะละนาเอากญย่างเป็นเทียนไขโจ๊เผาบูชาพร้อมเือนคําแก้วก้องแพ้งหายหยากระชิงแล้วชีวิตมีขาล่นเพ่งล่ำหลุน ข้าวโ พ, พธิ์อยากให้ข้าเอาเฉียบบูชาบอมีคว่นสงการมิงติดตายกันง่วงนอนบูชาไทยมหาคุณสุดเกศไม่มิ่ติตายดาวเด่นห่วนหน่อยสี่บ่อจา่าน้ อ, พอไงพอยใหญ่ใหญ่ไอ้หน่องที่หักแห้ง49่มือที่เพิ่นบดเด็กกินเพิ่นกันยังพอลดมหายตายไปจากห้องไม่ขณนะพ่ายในสี่สิบมือ น, นั้นพระ อ, องค์ได้ส่งพิจารณาตรวจ ถึงเวานายาสัตว์เฮ็ดจังใดนู้งพระธรรมที่เข้าหลายคนพอพบเห็นนี่เอาชีวิตเขาไปแหลกเลือบล่มเกือบตายเฮ็ดจังใดนู้งจังสีส้อนคนตึงหลายได้เข้าใจพอว่าพระธรรมที่เข้าหลายคนพบอดค้องธรรมชาติรรัจะทำอนี้มันฟืนก็ความหูสึกของสัพสัตต์มูคนภูมมากไปโดยกิเลสพูไม่ความเคลื่อชินหรือความยึดมั่นคือมัน ลูปลาล่ำพจิตโตทุ่เมโงสุนาติชินสาสน่งลูกุพุทธีเป็นไปด้วความยึดมั่นเทือมั่นเคยชินแต่ในความยึดมั่นถทือมัน่นเป็นภู ง, งูงบวมิสติปัญญาสุนาติชินสาสนัง่งไม่ละนเขาสเสดจ ฟ, ฟั่งรรมของพาสาปดาภูชนะมานอลากาโหติสธัมโม เขาก็ยังสิห่างไกลจากพระสัทธรรมเมื่อผ้าโสปัตวิยะฐาสิไกลห่างขึ้นจังฝากกับดิน่สันต์คำว่าโอ้ยจังไดดีเอลสันตุ้งทอดถอยในพระราศจะหาฤทัยว่าขันนิ่งห้องไปเทศไปซ้อนกับขึ้นสิมัยถิ่มซื้อซื่อรุติบดาประโยชน์ปฏิโสตะฆ่ามีทำโมอทำอันนี้ เป็นสิ่งที่ท่วนกระแสความหูซึกหนึกเกตของคนธรรมดาประสาชาวโลกหมกักไปด้วยความอยากได้อยากมุอยากปิ้นเขาสิฟั่งน้ำม อ, อกเขาสิเข้าใจน้ำมอหวาดหิปปูนั่งเป็นเรื่องละเอียดอนุเป็นเรื่องน้อยนิดเบิ่งบบเห็นด้วยตาปอกต้ อ, องเบิ่งด้วย ปัญญาจักสุบ่ง้วยปัญญาทางตาข้ามพี่ล่างเป็นเรื่องลึกซึ้งทุทสังเห็นได้ง่ากแท้ว่าแล้วพระองค์ก็พอใจสี่สิบเก่าเ ห, หมือจนมีความเขิดวา่าสีบตรงเทต้องสอนมิจสิมเมื่อยถึงสุดๆลังจากหนันกับม่พอมเมื่ออารานนา ที่เ้างได้ยินเขาว่าพบ ม, มาจะโลกาทีปฏิสามปฏิสามบอดีพ่อมพูเป็นหัวหน้าแห่งพมได้ระลึกถึงระษาธราวดาคันพระ อ, องค์บสอนจึงสียงผู้ใดน้องมาซึมหูจักมาเข้าใจโลกสิพีนาเพราะว่าข้อสั่งสอนของพระศาธรดาทั้งส่วนที่เป็นศิลธรรมและสัจธรรมโลกอุตตรธรรมนั้นมันเป็นหาก้านอันหนึ่งอันเดียวกัน แหล่าสคุมข้ อ, องโลกนี่ให้ปักกุมซุ่มเย็นซุดชื่นลื่นเนื่อต่อไปขันพระ อ, องค์หมองอไปทางบอแสดงข้าโลกมี่ักษตรชิพหายนอกนี่เกษตรไิ่ได้รับประโยชน์จากการตัดสโลขันพระ อ, องค์ว่าแหล้วเผ่ามาหาพมกันเลยปรากฎกายตอนหนาเอาผ่าผ่าดามานกขอให้แสดงขัามสัมตีทันตาพระราชข้าติกา เทเสตุท hey, ัพมังอนุกรรมปีม so really ังปะซั่งภ uh, ู้มีผงตุลีเมตตาหน่อยหัวใจปดปล่อยบ่เป็นผู้ตกผู้น้ำบาปถ่มหัวบัวใตยน้ำบ่มีกิเลสหนาปัญญาญาบบาปตัวถวมหัวบ่เม็นบัวเตยน้ำมีอยู่ในโลกในสิ่พ่อเขาอกเข้าใจห้ำทั้งสัมมนขอให้ไม่ม่อนถอนกูหน้าพร้อมพระเจ้าเพี่ยนส่วนปลอยคว่นในคว่นมาสั่นพระองค์ก็เลยเดะแลกล้งใจเท สี่สิบกเก่ามือกู้เซตัพสินใจได้บริเกณเขาเกินน้ำอีนั่งทั้งเม็ดนี่นี่ขั้วไม้ทั้งฝ่ายจิตใจและกับฝ่ายหางที่พ่อมนั่นกับไม้ถึงว่าเมตตากูหน้าของพระองค์บอเคยรังเกียรลังงอนบววาผู้นั้นสะเป็นเจ้าฝ่ามาหากษัตริย์คนทุกข์หนักให้อนาคขาถือกระเบื้องโคท่านถือกระบานโค้เขาพระพุทธเจ้าบอลังเกียร ผู้ลงคืคนไปหาค้วยมาไม่เมื่ออยากฟังเทปพนแตงพระเขาให้กินสะก้อนนจังเทพคนฟังทั้งเมดนั่นแล้วคือบุญคุณแห่งมาหาการุณาี่คุณทรัพย์ดูใจลุมฝ่าผู้เกิดแก่เจ็บตายได้อาศัยอุบายปัญญาหุ่นพระพุทธองค์ส่งฉี่บนเท่นบารมีต่งเดินหนึหลังทาง่านคนบอกก็เลยออกจากทุกไดบ้บ่ม่งไก่บอนเกิดตาย ย้อนว่าพระมาหากูเนื้อหล่ขนของพระองค์ได้ส่งสอนสัง่งหลังให้ห้าพี่น้องได้น้พนหมู่มันบันดนี้ห้าพี่น้องซุ่มฉ า, า, ากสาวกาวีสาขาบูชาหนึบประคุณเงี้ยวไว้ขอให้ใจใสเหลี่ยมเสมอแค่า้าพองทุ่นเถิดไหวถ้าพองเถ่าสัวซีฟังคอยไงไป่ไงไอ้น้องที่หาแพงเอ้ยห้าสิอยาดอยู่ว่าสําตายห้องแตนทราบซีเหมืองเ พ, พิ่นดูกินนึ่งปีสเก้าหมือน พุ่นเถิดไปถ้าพ้องเถาจัวที่วังห้องเมืองเข้าถูกเขาหยาเขา ก, ก็เลยบูชาแบบทรกัตตะโูรหยาไห้ตามภาษาคนทุกคนหยาอดเขาอดป่าโบกินเขาอกินปลาแล้วงเหมือนเข้าเพราะง่ายนองดีหัหหหหกเพงบางกีดีวาวพื้นควงเกิดตันตั้ง ท่างกายอันหนึ่งเกิดทั้งใจกับอันหนึ่งนอกไปยังไม่ไงเกิดทา้งกายเป็นศิทธะกุ ม, มานเกิดทา้งใจเมื่ อ, อยุ 3, ตสามสิบห้าปีทัสสรูอนุตลาสม่าสัมโพธิญาณได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าคือกันสุขุสุขคนข้นห้าวนี้ได้เกิดพ้อมเถื่อนี้พอไงไปไงบึงหายดีเตยตมิตรา จ, จากคลองแมยคือกันก็ไกา่ นกนูปูปีกที่มันมีไข่นอกพ่อใหญ่ไม่ในเกิดท่อมอิฐเกิดจากท้องเมเป็นไข่เกิดเธอที่สองเมฝักเล้วได้ออกมาเป็นตัวนอกจากบ่อไข่คนเฮาก็คือกันพ่อใหญ่ไม่ใหนอายหน่องที่หักแห้งเอ้ยเกิดต่อมอิดเป็นเด็กชายธรรมดาเด็กหญิงธรรมดาพ่อยใหญ่มากอะไรมาเกิดไม่เป็นผัวเป็นเมีย เกิดเป็นเจ็บเป็นน่ายเป็นคู่บาอาจารย์ลังคนเขาแล้ยวได้เกิดเป็นน่ายยกระทมนตรีพ่นเอกชาติชาย ช, ช, ชุนทวันน่ายโยกระทมนตรีหัวแทบมักง่ามบาดนัดสิ่งที่เขาเอิญเพิ่นเกิดมืไม่ใหม่เพิ่นกะเกิดเป็นเด็กชายชาติชาย ช, ชุนทวันธรรมด า, น, า, ม า, านี่ยแล้วคนนี้มีไงเอ้ยบาดนี่ได้รับเคือกตันจากสภาผูู้เทนราษโดน ไปเป็นหัวหน้ารัฐบาลได้เกิดเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชายชุนหวันวัชร์นี่คือความเกิดว่าพูดยังไงไม่ไ่เกิดท่างกายจังหนึ่งเกิดท่างใจจังหนึ่งขั้นอย่างหายมากก็เกิดท่างใจเป็นหนักย่ามไดเห้าอายสัวกลัวบาสเห้าก็ได้กเกิดเป็นเทวดา ยามใดมีสินหากรับผิดชอบต่อการกระทําควบว่วมจาควมคิดควบค่านของตนเองยามนั่นเท่ากับเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงยามใดเท่าที่ความโง่จนบ่มีเหตุมีผลเอจะเหตุจังไ ด, ด้กิเหตุยามนั่นเท่าก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในใจใ่นขาวของควมเป็นมนุษย์ ย่ามไดสถานย่านกัวนอนบอบลับย่านเขาหูย่านเข้าหูจักแนวห้องบอดีบองงามเป็นหอนหวนห น, นาวห า, าวฮิคฮิคหอนหอนย่ามนั่นเป็นอสุรกายเกิดเป็นอสุรกายพอใหญ่ใหญ่ย่ามไดนอนอยู่ในห้องแอร์นัง่งในรถปั๊บอากาศห้อนใจห่อนใหมในคิดในใจหย่อนการกระทําของตนเองของลูกของเมียของพัวของใัยกรยากย่ า, ยามนั่นตกนรกติดแอ เข้ากับเกิดเป็นสัต์ในนรกพร้อมเกิดทาา่างไก่นี่เข้ายังบอกฮั่นผู้จักกันเข้าผู้จักจะเกิดจากของเมพอจนงสั่นพระพุทธเจ้าเข้าเพิ่งบอกว่าทูกขังชาติปุณปูณปณนั่งเกิดย่มใดเป็นทุกย่มนั้นทุกยอมบม่มีแกผ่ผูบ่เกิดเพิ่นวาเพิ่นนั่นเป็นผูมึดบ่เกิดอีกชาติสิ้นเลวไว้สั่งเพิ่นวาง นัตถิชาตะปุนาภะโวการเกิดเอกบ่มีอีกเลี้ยวเมื่เพิ่์นบอกไหมือเพิ่์นได้ทัดสรหอายุสามสิบหาปีเมื่อได้ทัตส์หลัวแะบอกว่าการเกิดบ่มีอีกเลี้ยวนัตถิชาติปุนาภะโวความเกิดเอกของเฮาย อ, อมบ่มีสั้นบ่มีแหละก็เลยบทต้องตายขั้นเมือ่อเกิดอีกก็เลยบทตายความตายก็คือกันเกิดทางกายเนีย่ยนี่ เกิดทั้งใจแนวหนึ่งตายทั้งตายแนวหนึ่งตายทั้งใจแนวนึ ง, ง, นงพอไงไม่ไงสี่ักแข่งเอยย่ามได้เฮาอยากหายมากยามนั่นคั่วเกิดทั้งใจคือเกิดเป็นหยักเกิดขึ้นคั่วมเป็นเทวดาคือคั่วมอายสัวกวัวบาดกระตายไปอยากหายไม่เหล้วห อ, อดว่ า, าไล้ละเมอเอินดาตอนเปลา่าเปลา่ายามได้เฮามีสินมีท่อมในจิตในใจ รับผิดชอบต่อการกระทําการบกการเหตุการขึดการอ่านย่ามนั่นเห้าก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงค่วมเป็นหยักเป็นม่านเป็นน่าหลบยังกระตายไปจากจิตจากใจขันเท้าเส็มาซ่อมเบิ่งให้ดีเมื่อหนึ่งเข้าสิเกิดห้ายเธอพพอใหไงไม่ไนเอ้ เทศจังใดขันเท้เข้อใจแล้วเท้าจังสิบว่เกิดเท้าก็คุ้มกำเนเิดแล้วเนาะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนาะคุ้มกำเนิดใจบวให้มันเกิดเป็นหยักบวให้มั่นเกิดเป็นสัตว์เดลชาญบวชให้มั่นเกิดเป็นอสุลกายบวชให้มั่นตกหน้าลกใครนสิเกิดก็ให้ได้เกิดเป็นคนนี่สินหาในใจยุทกเมือเป็นคนนี่ค่วมอายสั่วกวัวบาปสงบระงับเป็นเทวดา นี่ความเมตตาปานี่ความอิดูสงสารค่วมยินดีปีดาในย่มผู้อื่นได้ดีค่วมบ่หยาะบ่ยันข่นวมบ่เกียด์เกียด์สั่งเรียกว่าพบโมหารเมตตาการุณหมุทิตาโอเบข้าสุม่มเนี่มีอยู่ในใจเฮาเกิดเป็นพุ่มเฮาเกิดเป็นพุ่มเป็นเทวดาเป็นคนส่วนเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานคือข่วมโง่ งอจนจะคมคืนห่อดลูกสาวคมคืนเนี่ยฟูเอื่นคือหนังสือพิมพ์ว่าคมคืนเด็กหน่อยอายุเจ็ดปีคมคืนหลุดสาวเจ้าของหนันเป็นซัทเดลสาเลี้ยบโมีค่วมเป็นคนเข้าคุ้มกำเนิดจิตซุนีโบไฮมันเกิดมากขันมันสิเกิดก็ไฮมันเกิดในทางที่ดีในบุญในสินในทาน่านคดย่ำได้ในทางดีทำย้อ น, น, นอันนี้เอื่นว่าสุขคติ สุเปวดีวังงามวังายขติแปลว่าไปไปถึงสุคติแปลว่าไปถึงบนดีบนงามบันไงให้เจ้าไปสู่สุขติเถื่อวสันก็คือว่าให้เจ้าไปดีแมนสิเกิดเดี๋ยวนี้ก็เกิดดีๆเกิดแน่ใจขันยามได้ยากหายมาเฮากับไปสู่ทุกขติทุกแปลว่าเลวแปลว่าสัวเปวสาเปลว่ายะขติแปลว่าไปแปลว่าถึง ปกติแปลว่าไปหอดบนซัวบนญ้ามบนกู้ย่ำจะหายมีผูดด้ใดบอกโอ้ยจำเนนมีแห้งดิเอ้สบายใจเดี่ยวผู้ขายจะ่ายมาเบิดเหมอมีบ่จะ่ายยามได้กับกาลังดังไฟเผาเจ้าของในน่น อ, องข่อยไปย่อมน่นอเพราะฉะนั้นเฮาก็เลยคุ้มกําเนิดในการเกิดพระพุทธเจ้าเกิดทั้งกายเพลื่อนกรบอได้กินเขาดกมือนั้น เมื่อเป็นเกิดทางใจตัดสัตวเพลินกับบ่อไหนกินเขาสี่สิบเก่ามึกพ่อยังสั่นมือนีเข้าก็เลยเมื่อหาของขวัญวันเกิดให้เข้ากันของขวัญวันเกิดคู่บาอาจารย์ภาคกันลังไลไปทำบุญทำทานเพิินกันดีใจแจ่มมือนีวันเกิดของอาตมานดำดิวันทีสิบเก่าพฤกษาพาเนี่ยพวกกินคือกันพ่อแมย์ไอหน่องที่ม่านนี่ก็เลยเมื่อหาของขวัญพ่อย้อนซ่อนเด้งเนาะ นีเรียว่าเห่าบอมเปนคนขี่ขาดตาขาวบอสถานหยานกลัวควบตายข้าอาเรียเจ้าทั้งหลายเพื่อนบอยาดตายบอยาายอยากอยู่บออยากตายคนว่าณพินันทามิมอแลนังณพินันทามิชีวิตังบออยากอยู่บออยากตาย สัมปช้าโนองปฏิสโตมีสติสัมปชัญญะหูเท่าท่านพ่วมเกิดค่วมดับขันมันสิตายหั่นกายกรเส่นอนเบิ่งความเสื่อมไปสิ้นไปของขาดของขันมันเบดไปสิ้นไปคือเบิ่งตะเกียงเบิ่้ํามันแดงหีนห่นีหี่กระนอนหมดไปเนียยเบิ่งเจ้าของตายคือเบิ่งตะเกียงดับเนีออ่ยพระอริยะเจา้าเพลินบริแมาเต็นกระโตกระตาก ต, ตออยุคู่บาอาจารย์จังสั่งจังสิ มาบวชกินเจต่ออายุสามเมืองว่าสิคันติแมนกับต่ออายุสัตว์นั่นคือมันจะโบเรขาได้เนาะโบเรคันบวชกินเจสามเมืองว่าสต่ออายุสัตว์ไปหลายโปเติบ์ดิคือเข้าโบเรขามันแล้วฮ่องบกินผููเช้าไม้เขากินฮ่องกอบกินน้ำมันก็ลดหน่อยลงที่อันนี้เข้าโบกินขอดเขาบวชแต่เจเราแม่บาดนีงกินแต่นาคคันติมองในแง่เศรษฐกิจ คนถูกคนยาดเอิดหยาบ่มีอยูม่ยม่กินแต่เข้ากีหลังเธอหล่นปากเลือกข้อบ่มีย่ามได้เห็นอกเห็นใจผูอ้อื่นมือหนึ่งข้าเท้าอยากหเห็นคิดเห็นใจขาเจ้า เ, าเข้ากับมาลองอดเขา่างีตุ้ตีชโม่มันหิวมากมันจะเป็นจังไได้นอหนาหมือตาหม้อสาได้เล้วเสียเลเห็นอกเห็นใจผู้พูดผูหยาดว่ า, วาขาเจ้าก็เป็นแนวนี้ ลักษณะจังสิเป็นการศึกษาสัางอุสรธรรมความฉลาดเขาจิตเขาใจศึกษาของเทศพออมก็ น, นันขันเมนผูดใดไข่ผูหนึ่งเรือกเมื่ประเทศใ ห, หาสิบสามหลานคนมาอดเขานำกันในวันวิสาขาบูชาทั้งเมด่อกินหาสิบสามหลานคนมือหนึ่งกินเขาสามเทือ่อเทื่อละสิบบาทผูละสามสิบบาทว่า สามหาสิบหาประหยัดมือเดียวมีเงินบนหน่อยกว่าพันหาลอยลานบาทมาซอยอีสานเขียวซอยหนาถั่วฟักไตบานห้องไหวบได้ยากตัวนี้นอ้องพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เศรษฐกิจของชาติเตียนแต่อดเข่านุองกันเบ็ดมือมอูมือเดียวนี้หาสิบสามหลานคนนี้ได้เงินประหยัดเกินมาพันหาลอยหลานเป็นอย่างน้อยสิวาจะไหนบาท ข้ากินนี่มันโบมแมนได้บาทหมื่นละสิบาทเทธอละสิบาทภูรังคนเขาไปนั่งโต๊ะในเล้าเนครับในบาทเป็นหมื่นเป็นแสนโอ้ยพูกินกินพ่อห่าพูอยากอยากพ่อตายเมื่อนี่ก็เลยมาลองอดเบิ้งน้องพ่อใหญ่ไม่ใหญ่นอกมื่ออดเขาแล้วหกหงายคิ้วห้ยก็จิได้เห็นอกเห็นใจคนทุกคนหงายคนโบมีอยู่มีกินสิเป็นจังสี่ทุกโบมีเสื้อผ้าฟ้าเงอนดีพ่อหลี่ยูโบล่ามบนวาง เพราะมีเขาอยู่ท่องนอนหลีอยู่ว่าเป็นสะแล้วบาดเข้าเสีได้หุ่ ข้อมันนั่นมื่อนี่ก็เป็นมือมหาปริณิพานเมื่อปรินิพานเมื่ออายุเพิ่นได้แปดสิบปีมื่อสุดท้ายสมมุติฝ่าเมื่อนี่ตังต้งแต่ส่งเพิ่นเดินทางจากเมืองปาว่ามากุสินาราบนเพิ่นสิตายดิสาลวนโนทะยานคนทางยี่สิบหางข้าวุดยางมาแล้วหากเลือดมนัน าารพระอนุนพระฤกษเดินนำปูผาเพิ่นเพื่ได้ห้องเพเดินอากาศไปที่คู่เมืองนี่ที่เข้าได้ยินข่าวคูว่าวาอาจารย์นั่นนี้นั่งอยู่เท่ข้งกอนเมฆเครื่องตินไปพ่อไปเห็นโอ้โยพากันลังไลกันไปนอกพอาไงไม่ไงวยสาธุอยู่หรอกเพิ่นกรสิเกงอิงนี่นั่นแหละเพิ่นนี่บาลามีมีสมาธิ แต่ว่าหนาหนาคืดเนี้หนึ่งว่าพระพุทธเจ้าของเข้าเพิ่นว่าดเดีหัวกันไปนางเครื่องคิมี่งามสิตายหากเลือดมากย า, างมากเศร้ามีแหงมากีสิผาเถื่อหิวหนามแหง้งแห้งไกลไกลข้องหน่อยบนหนึงบอกพระอานุนเอ้ยอ น, นุนเอาผาสังฆาปูล่งเด้อสี่สัส่งเข้าเมเยเข้าอิดเขาพอยอยากกินหนามดิ อ, อนุนไปตักหนามไม่กินไไปเอาบาทไป พานโนนย่างไปเบิ่งมาบอกวเอ้ะพระบุญญาภาคเก่าปู่เจริญน้ำหองหน่อยคุณเอเล่ปานขีเป็ดกินบะไรแล้วขนห่อยอดสานิมนต์อดทนจกนทักหน่อยทอนย่างไปแม่นม้ำกูกูท่า น, นาที่อยู่ข้างหน้ามีทาอันลาบเหลียบน้ำใสไหลเย็นโอ้ยไปพุ่นเป็นลมมณียสถานนา้ำใสไหลเย็นสนุกกินสนุกอาบ นามหองหน่อยมั่นคุนบ๊อไซขอให้อดทนทนพระพุทธเจ้าเข้าโอ้ยไปตักมาโหลดไปอานนท์เอยเขาหิวเข้าอิดเขาเมย์เป็นสี่คุนจังได้กลับไปตักมาเท่าไปได้เว่กันถึงสามเถื่อพระอานนท์ก็เลยเอาบาดไปตักนามคุนคุนก็เลยกลายเป็นนามใสหลังจากนั้นพระอานนท์ก็แปลกประลาดว่านามนี่คุนคุนกลายเป็นใสเหตแพ่ง พะบารมีปฏิหารของพระศาสดาพุทธธาตุขาบนาะพระพุทธเจ้าของข้าเพินกว่ามันหักเป็นแนวนั้นเองมันละทัตตาจังสันเองพระฮิตไปจากนั่นมาเป็นไปอย่างอื่นด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันทั้งเมดหนี่ขา้าเสหเห็นได้วา่าอาพิธิหารของเพื่อนง่มเข่าตาจนทุกหย า, ากล่ำปางเป็นอย่างเพื่นบบินปื้ไปที่เมืองกุสินาลาโหลดเนาะท่านนี่แห่ข้าพินน้องเด็ คิดคำคันิ่งดูผู้ลังคนหาเงินเอาฐ์คนาบางหนาค่วมบ่มีฮาวบอกพ่มบ่มีฮาวาห้าเอาความขหายมาบอกใส่ตโฆษณาการออกนังซื้อนังหาเป็นแมกกาซินไล่ขาบไล่เดือนพระอาทิยเจ้าลูกหันอยู่นี่แจ็กแมนหรือบม่มนเน่ากับพ้ากันลงไลไปแต่คอสําคัญที่สุดคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี้บอพ้อน ความบะเทียงเป็นโขกเป็นอนันตาภาษาตดาเข้ากระได้เพื่อนก็นเลยบะมีการต่ออายุพระอาลัยเจ้าทั้งหลายหัวหลอกอายุก็เลยต่ออายุแล้วก็เลิกอายุนี่เดี๋ยวนี้เข้าภาคแต่ตออ่ออายุยานตายอาตมาก็เลยพ้าที่น่องหยอกอายุมือหนึ่งบะต่อหยอกหยอกมันกินเข่าเมื่อหลายกระบุงแล้วห่อนมือเกิดเศร้ากินซะสื่อสื่อนัง่งเบิ่ง มันอยากกระเบิงมันซื่อๆมันคึดกระเบิงเกิดมันดนฟันนีเมนกินเข่ากระตายเมนบุ ก, กินกระายเศร้าเมื่อยซะสักยีก่สิบสี่ชั่วโมงเศร้า ก, กินหยอกอายุเลนหยอกมันเล่นมันเป็นแต่หยอกน้อเป็นไงเป้นไงแล้วคนตายมันจะได้เพาะพระอาเนจเจ้าเพิ่นบอต่ออายุเพิ่นบอ่อยอกอายุแต่เพิ่นเลิกอายุเลยบ่มีอายุบ่มีอายุ คันบอกจังสีทานทั้งหลายคือเสีแปลกประหลาดใจจักหน่อยเนาะสิบอกควมหนึ่งฝันฟัในภาษาบาลีในสมัยพระพุทธเจ้าของเฮาพระเทระอนิยเจ้าทั้งหลายนี่จำนวนหลายเพิ่นเบาวานไวต่อค่วมตายโบมีการตออายุก เพราะมีการหยอกหลออายุคือจังข้านี้กับบ่มีแต่ข้าวในเหตุแบบหยอกเจ้าของหยอกอายุนอว่าเกินขอบเกินหนาเบังพระอริยเจ้าทั้งหลายนี่เลิกอายุบ่เป็นผู้มีอายุบ่อยากอยู่บ่อยากตายพระนิสสภเทระหลังจากตัตโตเป็นพระอริยเจ้าอลังเลียนั่งอยู่ใส่ผืนสิ้เป่งอุทานหลงเพลง พ อ, อแล้วปฏิว่าภูเขาบวาพระหลงเ้งเลยเนาะเพื่อนเอินว่าอุท่านนะคะถาเป่งออกมาด้วยจิตใจอันปราบ ป, ปื้มปีพีโดวยตั้งใจข้อมเพิ่อนบ่เพิ่นสิบบ่ยลื่นเลย ว, า ป, า, า, วาปัญจการมาคู่เนี่ยคิตวาปิญญาูปเปมโนระเมสสทายญาคารานิคมติทุคัสสันตการโภเวหน้าพินั่นทามิบรุรณะหน้าพินั่นทามิชีวิตัง กาลัญจะปฏิกังคามิสัมปชาโนองปฏิสโตติวะสัแปลเป็นภาษาไทยห้องว่างวิญญูชนละเบญจาการมะขุนนาหักหนาหรือลมใจเล้วออกบวช ด, ด้วยศรัทธาแล้วถมที่สุดแห่งทุกได้เข้าบ่อยากอยู่เ้าบ่อยากตายบ่อยากมีชีวิตจวูวะสังฟังเบะขักได้พ่อใหญ่ไหมไง บอ่อยากตายบอ่อยากมีชีวิตอยู่และเข้ามีสติสัมปชัญญะล่อเวลาอันควนเพราะนั่นคือการกลับหลูกจากล่อเวลาอันมืดไปในการทํางานมาเมื่อมดเวลาแล้วก็เลิกแล้ววิ่งวิ่งวิ่งทํางานตามเวลาเสร็นเดือนก็นได้รับเงินเดือนภาษาบะลี่บอล น, นี่เพิ่นจะบอกว่าน่าพี่นั่นท่ามิมอระนั่งหน้าพี่นั่นท่ามีชีวิ ต, ตั่าง บมื่อใดพ่อใจอยากอยู่แล้วก็บเมื่อใดพ่อใจอยากตายที่ยังการเล่นจะปฏิกังคามีล่อเวลาอันขวนสัมปช้านองปฏิสิโตมีสติสัมชปมมชัญญะอยู่ควบว่าอันนี้คือการเลิกอายุบมื่อใดมีอายุยังแต่ได้เข้าในโ้ยแห่งครูบาอาจารย์ไงแหง่แหงหย่านตายน่อเอาบุญบันเกิดอาจารย์นั่นอาจารย์นี่ลังไลกันไปท้าบุญหาเพิ่น 5, ต่ออายุ แต่ความจริงอายุเพิน่นเงินเาียบมาหลายปีกรดีร้อสิเลสทำคุ้นเงาความดีเพื่อบานเพื่อเมืองกบวาเอยียงเพิ่นดอกนอกเพิ่นมีเงินมีคามีมวาสนะบาลามีแต่ว่าให้เข้าในหยอกอายุแล้วก็เลิกอายุผอกน่องพระพุทธเจ้าของเข้ามื่นเพิ่นสิตายนั้นยางท่างีเสพหาข้าบุทธแล้วก็วะจะเป็นหอดเมืองกุสินาลา แนะนำทำซ้อนว่าเก่าวตักเตือนเทพให้ฟังจนหอดงามสิตายเฮียงขึ้นเวลาสิตายยังหลบมาโง่มาเงย่ยงอคอกันมาบอกว่าอาหมันแต่หญามีโวผิดคเวปฏิเวทหามีโวผิดคเ ว, วขญวญธรรมสังฆาลาประมาเทนะสมปาเทหิหลูก่อนพิสูธาลายเอ้ยเข้าขอเอกบอกเก่าวขานไข่เป็นเพราะว่าจะไข่ไตหอมหั่งข้าวนี่ เป็นเวลาสุดท้ายที่ได้จากกันไป เ, เข้าขอเตือนฐานทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายเป็นของบอดเทียงยอมมิความเสื่อมไปสิ้นไปพอจึงสันทันทั้งหลายจะได้พา ก, กันประมาทจงปลุกเหล่าค่วมบ่ประมาทให้ถึงพรหมในคิดในใจสร้างคุณนงามความดีปฏิบัติตนให้ดีสิ้นสมาทิปัญญาให้ได้รับประโยชน์จากสรรตาตนาหลังจากนั้น กมากเว่ห้ฟังเห็ดให้เบิงอยู่ให้เห็นฉี่แจงแถลงไขเป็นแบบบรญญัติเนธิธรรมแกปุถุชนสาธุชนกันไรหนาณชนลุนล่าเข่าหลังได้เห็นุนําทําตามอย่างตามคนมาให้ได้เด้ อ, อยังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นในเรื่องของอยู่ข่วมบอประมาทนี่คืนนั้นเป็นข่วมว่วยเธอสุดท้ายเวลาเทียงคืนพระองค์ก็เลยได้จากโลกไป เป็นอันวา่าหมืน่นนีเป็นหมื่นเปรียบเสมือนหมื่นเกิดขึ้นเข้าได้ปลูกต้นศีมหาโพธิ์อันเป็นสหชาติของพระพุทธเจ้าเข้าได้เกิดผอมกันนั่นเข้ากระไดเบียในน้อยเป็นบุญเป็นวาสนาผู้เข้าได้มาปลูกรวมกันในเวลาเที่ยงคืนงามเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าต่อมาอีกในเวลาเที่ยงขึ้น จะเป็นเวลาเพลินปริพานเข้าสิบรลับบ่อนอนเข้าเวียนเทียนรอศรีมหาพ่ในเวลาเทียงคืนพระทรงองค์เจ้าสวดคณะสาธัญายพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณหลังจาก น, านั้นพระชาจนตั้งร้ายกัได้าักกาเวียนเทียนดอกไม้ถูกเทียนบูชาหลังจาก น, านั้นเข้าก็เสดหวมกันนั่งสมาธิภาวนาะ ในภาคดึกอีกหลังจากเวียนเทียนแล้วหลังจากหนังกับทีเดยจะมีการบรรยายท่ำมือกระทะอันประกอบไปด้วยถ้อยคำคำสั่งซ้อนคลา ย, ายว่ามือนีเข้ามาจอบเบิงจอบเบิงชีวิตของพ่อแม่ของเฮ้าคุณหนึ่งเพิ่นกำลังสิลมหายตายไปเพิ่นกำลังเป็นไขเป็นน้าวตั้งแต่ เศ้าเพลินกรย่างคันเสพูดถึงเมือตายตันเแต่เศ้าเพลินกรย่างตากแดดอย่างยู่หนังยู่ถามาแต่เมืองฟ้าว่าจุนหอมกุศินาฬีย่ำคำย่มขึ้นเน่เพลินกระไขยอยู่แต่ห่มพังเฮาทั้งหลายเปรี่ยนตะเมินว่าแดดไปหนังอยู่ในสถานที่แห่งนั้นได้ดไปห่วมพ่อห่วมเหตุเหตุการณ์นั่นกำลังสงหอมซ้อมเบิง่งคิดเบิ่งใจ ทองประสาทกดาภูเป็นพอทั้งที่แจทั้งวิญญาณกำลังสิลมหายตายไปพ่อเม่เข้าไข่หรอกพ่วมสิตายไปเข้ายังสืงมาม่วงอยู่ดีกินดีอยู่นี่บ้ากาแฟมากินกันเป๊ปซี่นามอัดลมมาเลี่ยงกันวันวิสาขาบูชากินดีอยู่ดีมื้อนี่เป็นมึงที่สจตจองบูชาสุดทัวสุดเกตแล้วเน้อพ่อใหญ่ไม่ใหญ่น้อพ่อจังสั้น ควบเบาความวามือนีทั้งมดกับเพื่อสี่แจงแล้งไข่ไห่พอเม่อายหน่องที่หากแห้งได้เขาอกเข้าใจในพิธีกรรมการปฏิบัติบูชาในวันวีสาขะบูชาเป็นตนวาการอดเขาอดภากอนยี่สิบสี่ชั่วโมงกินแต่หนำแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาฟังเทศฟังถ้ำ ูเยนเที่ยนทั้งเม็ดนั่นเป็นการสแสดงออกซุดชีวิตจิตใจเพื่อเป็นการบูชาต่ตอแท่นกระันยุบุญคุณของพระพุทธเจ้าของเฮาที่อาบหลังลงมาปอกคุ้มปอกเก่างัหัวแก่สัปสัตในโลกได้พบความสงบสมเย็นที่เฮามีบุญมีวาตนาเกิดมาสุดถ่ายภ่ายหลังบั่นปลายตอน คัดเมนฟั่งเทือกขัดเมนฟั่งมอหลงมอลำกระเทียงขึ้นขอนขึ้นไก่สีเจ๊งแล้วเข้าว่าได้ผอพิ่นตั้งแต่หออัวปีหรือว่าแต่ศาสตร์กรกิ่เข้าแต่เป็นสาบกสั่นปลายแถวได้ควมกิจกรรมอันได้อำหนึงในชาตินี้ที่ได้มาผอผพบกันอกีกเท่านึงนอ้อพอใหญ่ไม่ใหญ่น้อก็นาฟ่าเป็นบุญเป็นบาปต น, นปะกาตาธิการผอมกนันนันผู้ขา่า แต่อย่าขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่อายนองที่หักแพงทั้งหลายที่ได้พาทานทั้งหลายอดเขาอดป่าบกินขาบกินหนามอดตารับครับตานอนจเจริญสมาธิภาวนาฟังเทศฟังธรรมผ้าปูกต้นใหม่สีมหาโพธิ์ืันนี้คันเมนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมือนี้เฮตให้ทานบ่สบายกายบ่สบายใจพอวาให้ทานทั้งหลายนัง นอนอยู่ใตะหมม่มไม่เพื่อเป็นการล่ำเลกดถึงพระศาสดาขันเกิดาขม่มบอสุกกายสบายใจพะเอพระออมจังได้กระดีโน่ขอโทษขออภัยยาให้ผู้ขาหนี่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรเด้อบะมีเจตนาที่สี่ทำลายทั้งกายทั้งใจโจ้ทั้งเมดหนีไดประกาศี่แจงแถลงขาบอกให้ฟังผู้ใดใจแคน พ่อที่สิสามอธิฐานนบาลามิคือตั้งใจหมั่นเพื่อบูชาพระสาวสดาเป็นยังใดก็เป็ น, ปนตายก็ตายยั่งก็ยัง่งได้ประกาศแล้วว่าใจเฮงจังมาเเลอขันผู้ใดใจบกพอดบ่เทิงอย่างเป็นหลกกับเพาะตายอย่างงูเข่าตายกาบอต่องมาอสิมาสังเกตการหรือศิมาถวายหนังปนานาเอาบุญน้มูมแอบแฝงข้างหลังใกล้ ก็เลยได้บอกแล้วมื่นนี่ล้วนแต่เป็นทหารเอกของพระพุทธเจ้าผู้ย่อมเสียสละชีวิตจิตใจบูชา พ, พระสาตดาสุดหวัวสุดเกศนั่นก็จึงถือว่าเป็นการบูชาที่ยิ่งใหญ่บูชาที่สูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเข้าเคยโบ่เ ค, เคยว่าตันยโยโคมเงื้อโคมืออประชุมกัารทำวัด พุทธสาหังนิยาเทมิสรีลั่นชีวิตตังคิดตังภูกขาข้อมอบกายถวายชีวิตแก่พระพุทธเจ้าวันท่านโตหังจริตสาหมิพุทธเตวสุโพธิตังพระพุทธเจ้าขาพระเจ้าผู้ไหวอยู่สิเหตุน้ำทำตามพระพุทธเจ้าขาพเจ้าผูกไหวอยู่สี่ปฏิบัติตามข่วมตัดสรูดีของพระพุทธเจ้า เข้าในเหตุคือว่าอยู่บ่อน้อหน่อด้หมอกกายถวายชีวิตที่รีบ่อน้อส่วนอดเขายี่สิบสี่ชั่วโมงผย่านตายหรือว่ามากจำนิสิเพียนจำเป็นพันพาถกพ้ายเนี่อันนี้มันยังบ้ันในพ่อเคึงตายพ่อหน่อยนี่ยีสิบสี่ชั่วโมงในน้อเข้าว่าสีหมอกกายถวายชีวิตบ่เมนตัวผันสืบพ่อน้อหน่อลปเนาอ ปากพัดว่าวจ่อยๆใจผสมจังหมดแดงหวานจ่อยๆทั้งปากใจสมจังหมดแดงจังสี่เฝนเอิดวาขชีตัวท่อไรยดกับบดหักหลังพระพุทธเจ้าว่าวาพุทธสาหังนิงาเทพมิสรีลั่นชีวิตตังคิตังข้าพระเจ้าสิหมอกกายถวายชีวิตเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าข้าท่าน อันนี้ยังแม่นบูชาหมอบกายทำวายชีวิตบ่ได้กินก็นให้มันตายเมือนนี่ยกให้เลยเปิดเหมืองชีวิตทั้งหมดอันนี้ไม่นเถิดขันเหตุตำหนิบ่อใดยั่งยังบ่อในหมอบเถิดอกนอกเพื่อไงไม่ไ่ยังขี่ตัวยั่งบอ่อแต่ปากพุทธัสาหัสพุทธัสาหางมีท่าโสวะพุทธโหเมสามิจิโสลโข่าพระเจ้าเป็นธาต เป็นภูรับใสเป็นข่อยเป็นขาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นน้ายเนื้ออิสระเนื้อชีวิตจิตใจวันท่านโตหังเจริตสามิพุทธเสวสุโภถิตังภูข่าวายอยู่แล้วสิประพฤติเหตุนําทําตามสังข่วมปฏิบัติดีของพระพุทธเจ้าแมนอีบ่อนอ้อนอ่อนบาดอีนคันวอลเลี่วก็ยังบ่อเหตุนําทําตามพ่อแปรแม่แม่พ่อจังหมางแป้พุ่งอยู่จังสี่ การย่งถือว่าเป็นกบฏ ต, ต่อข้อมบ่อ้อระยดฮักหลังต่อควอมบ่บะมีสัจจาบารมีอธิฐานบาลมีเมื่อนี่เป็นการสั่งสรรบาลมีที่ยิ่งใหญ่มั่งูบาลมีท่านเท่ากันได้ให้ทา่านแมนโบท่านเงิน ท, าน ท, านทาน่านทองท่านเขาท่านปลาเพิ่นบ่ได้กินขเขาเท่ากันยังได้ท่านแนวที่สูงเรียกว่าปารมันทะทท่านักบารมี ทานปรมทท่านอย่างสูงท่านหนังท่านค่วมอยากกินขลุ่ท่านค่วมอยากอยู่ดีมีแฮงท่านค่วมขี่ขานท่านค่วมบ๊ทโบ๊ทนพอดเท่ท่านหายโยนออกไปทิมออกไปเรียกว่าหาท่านอย่างสูงพ่ออมก็นั่นก็หายทาเป็นท่านพ่ออมมีส่วนที่สิวบอกฉี่แฉกแถลงไขการเบอกให้ฟังเห็ไขเบิ้งน้องกัน เลือจากนี่ศีลบาลามีอันนี้ก็คือการศีลไปว่าความปกติไปว่าการควบคุมกายว่าจาทรงเข้าไปหอดใจเท้าก็ควบคุมอย่างสูงบวิแต่ศิลหาละแมพวกชาวอิสลามศาสนาอิสลามถือศีลอดในวันลอมดอน เดินสิงหาเดืินกันหยาอากาศห้อนที่สุดในทะเลทรายอันเวิร์หว่างซาอุดิอาราเบียขาบทะเลอาราเบียขาบทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายอาราเบียนั้นคว่ำห้อนถึงเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามองศาเซนเซียสหยามได้คว่ำห่อนสูงปานหนึ่งพี่น้องชาวอิสลามที่ถือศีลอดเขา่าโบกินเขา่าโบกินน้ำอันนี้แต่เห่ายังได้กินน้ำได้ยี่พอญงไม่ไง ข้าเจ้าโบ ก, กินหอดเขาโบ ก, กินหอดหนามงามของเวนอ้ยอยากให้ไปเห็นเด้ขี่เครื่องบินอาลาเบียแอร์ไลน์เด้เนาะอาลาบิกแอร์ไลน์ขี่เครื่องบินจากเมืองกรุงเทพาหานครดอนเมืองเชิดหัวได้ทะนยานกึ่งตู้ท้องฝ่าไปสู่เมืองบอมเบ่ผ่านกะละจีปากีสถานควมทะเลอาลาเบีย ขวมฟังทะเลทรายผลเห็นทะเลทรายในหง่องเห็นแหล่าวนลงจำโบเจ็ดตีเจ็เกิดโขงเหลือขาลันเว่ลดเพดานความสูงต่ำลงเดินเ ล, ลเื่อยลงทึงผืนต้นน้ำบินดาลานสลามมะเละกุมแขกเป๋งองย่ำสองบัดพบกันเห็นแต่ขวมห่อนทะเลทรายพ่อนเอาบานเฮาเนี่ไปตืมกันอีกสามเถือกันยังบมดห่อน่ำ ห, ห่อนเฮาข้าโจโบกินเขาโบ ก, กินหนังน้ำลายก็หอดโบกืน ข้าเจ้ากระบอกตายย้อนสัทถาในพระนบีมูฮัมหมัดใต่คำสั่งของอิสลามมิกระท่ำของพระอัลลอฮ์เจ้าข้าเจ้าถือศีลอดในเดือนลอมดอนเพราะว่าจะกินเขานา้ำกระบอกินเท่เฮาเจ้าขุดพระพุทธเจ้าให้สั่งขันติบลาลมีคข่วมอดทอนอย่างธรรมดาอดทอนยางกลางอดทอนอย่างสูง บ่กกินเข่ายี่สิบสี่ช่อมองหนามยังได้กินอยู่อันนี้บวกเป็นหดวไทยถ้ารุ่นดีพอไงไม่ไงไอ้อบวกเปนการปฏิบัติเพื่อตึงจนเกิดไปเฮาบวกกินแต่เข่าหนามเฮาก็ได้กินยูพี่นองอิสลามบวกกินหอดหนามบวกกินหอดนามไล่ข้าเจ้ากระ บ, บอตายผููขาได้ไปอยู่มาเดี๋ยวเมือ่อไงก็ลองอดนําข้าเจ้าลองเบิง้งซื้อดอกว่าว่ามันจะตายบวกกับอยู่ได้อยู่ได้หรอบวเป็นหยัง